บุ๊ก <Book> 2ห้าไอ้ดุประเทศและภาษาเดซารุมริวบาชลรุจอนมาจากลอนดอนจอห์นลอนดนนุ่งชีบชอรดุลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ London, Great Britain, ลอนดอนเกรทบริทันโลวุ่นีเขาพูดภาษาอังกฤษอัตโน่อังกฤษมาทลาร์ทารูมาเรียมาจากมาดริดมาเรียมาดริดนุ่นดีวัชชินดีมาดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดสเปนโล ว, วุ่นดีเธอพูดภาษาสเปน อาเมสเปนิชมาร์ทลาดตุนดีปีเตอร์และมาท่ามาจากเบอร์ลินปีเตอร์มาริโอมาระบอรลินนุนดีวัชชารุเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินเจอร์มนีโลวุนดีคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมมีริดดารูเนมา ลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนปัทนาบุกเดชะราชธานีมาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดมาริโอเบอร์ลินพัทนาลูกูระเดชะราชธานีเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังเดชะราชா ன ுีே ன ப ட ் ட ன าล ப ெ த ปิดเดวิก ய ม சந்தடிக นเดริกา ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฝรั่งเยุโรปลูุณดีประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาอียิปแอฟริกาลูุณดีประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียเจแปนเอเชียลูุณดีประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ แคนาดาบุตรนาอเมริกาโลุนดีประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามามาธี่เมริกาโลุนดีประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลดัชนีอเมริกาโลุนดีครุณาไปที่